ฟังธรรมวันนี้เป็นวันพระเดือนสิบเอ็ดนแปดคำ่ำใกล้จะออกพรรษาปราวณาแล้วความจริงนะเข้าพรรษาหรือออกพรรษาน่นก็เป็นในเพียงสมมุติสำหรับวันคืนปีเดือนก็ของเก่านั่นแหละ แ ว, ว่าตาทระเบียบของทางพระท่านว่าอยู่การฝนหน้าฝนมาไปไหนลำบากตั้งแต่ครั้งพุทธเจ้านั้นไม่มีรถไม่มีเครื่องบินเหมือนอย่างสมัยนี้จะไปไหนก็มีแต่เดินไปท่านผู้มีฤทธิ์ท่านก็เหาะไปเท่านั้นแหละ ผู้ไม่มีก็มีตะเดินเศรษฐีก็นั่งรถมา้านั่งรถเทียมด้วยมา้าเท่านั้นเนี่ยไปอ่ะเพราะฉะนั้นอาการที่เราได้เกิดมาในชาตินี้กันับว่าเป็นลาภอย่างหนึ่งที่เราได้รับความสุขจากธรรมชาติ ทั้งหลายที่มนุษย์เราปรับปรุงขึ้นมาใช้สอยถนนทุนทางอะไรก็สะดวกสบายก็เพราะเหตุว่าวิทยาศาสตร์มันเจริญเครื่องทุนแรงมันมากอัะอ น, นั้นทำถนนทางอะไรมันก็ทำได้อย่างรวดเร็วอย่างนี้ย า, า, านพาหนะก็มีเยอะแยะ ที่บุคคลผู้มีสตางแล้วก็ได้อาศัยขับขี่ไปสู่ทิศต่างๆที่ประสงค์จะไปแต่คนส่วนมากนะเมื่อได้รับความสะดวกสบายอย่างนี้แล้วก็มักจะลืมตัวไปติดอยู่ในความสุขพอประมาณเท่านั้นเองเน่ส่วนมาก ไม่ได้คิดถึงว่าความสุขพอประมาณเหล่านี้เราจะได้รับไปถึงไหนกันอย่างนี้ถ้าเราพูดทวนกระแส จ, จิตเข้ามาภายในนี้แล้วมาดำริตรีตองดูก็จะรู้ได้เลยว่าความสุขเหล่านี้เป็นของไม่แน่นอนจริงๆอย่างนี้เส้นอย่างว่า อาอยู่ดีๆบางทีก็เกิดสงครามขึ้นมาลบพุ่งกันแล้วก็ บ, บ้านแตกสกัลายขาดเ อ, าอะไรอะไรก็ชิปหายไปหมดนั่นแหละหมายถึงความสุขชั่วคราวอะมันมันย่อยยับไปแล้วอืมัอเนี่ยบางทีอยู่ดีๆเกิดไฟไหม้บ้านขึ้นมา อ, มอะไรอะไรก็มดเหนือหมดตัวมีอยู่ท้องไป เมื่อไม่ถูกใครแล้วก็คนนั้นก็ไม่ค่อยรู้สึกเมื่อมันถูกเข้ามาแล้วนะั้นมันถึงได้รู้สึกอย่างรุนแรงนะเรื่องความวิปัดตต่างๆหมู่นี้มีทีกับน้าท่วมอย่างขนาดใหญ่พาดพาเอาวันเรือนพังพินาศทิพไหอวัวควายสัตว์เรื่องทั้งหลายจมน้าตายหมู่นี้มีอยู่เกือบให้ว่ามีอยู่ทุก ป, ปี อีกนอกจากประเทศไทยประเทศอื่นบางประเทศยิ่งประสบกับภัยเหล่านี้อย่างร้ายแรงมากทีเดียวอันนี้เพราะฉะนั้นจึงว่าโลกอันนี้นะ่ะมันมีทั้งคุณมีทั้งโท ษ, มทโทษไม่ใช่มีแต่คุณอย่างเดียวแล้วก็ไม่ใช่มีแต่โทษอย่างเดียวมีทั้งคุณทั้งโทษเลยทีเดียวสําหรับผู้มีปัญญาแล้ว ก็จะไม่หลงติดอยู่ในความสุขพราะประมาณเหล่านี้โดยมาคิดเห็นว่าการที่ตนได้รับความสุขอยู่ในโลกอันนี้เนี่ยมันก็เป็นผลบุญที่เราได้ทำมาในชาติก่อนมันติดตามมาส่งผลให้วันนี้ถ้าหากว่าในชาตินี้เราไม่ทำบุญสืบต่อหากว่าบุญเก่านี่หมดลง ไปโลกหน้าก็หาความสุขไม่ได้เลยพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าสุขโขปุญญัสะอุเจยโยการสั่งสมบุญนำการสั่งสมบุญนามาซึ่งความสุขดังนี้ตามพุทธภาสิตนี่แสดงว่าคนเราจะมีความสุขได้ในขั้นใดๆก็ ด, กดีอาศัยบุญกุศลแท้ๆบางคนก็ลืมบุญอย่างว่านั่นแหละ บางคนก็ไม่เชื่อบุญซ้าเลยบุญแต่งอัฐภาพร่างกายนี้ให้มาครบถ้วนบริบูรณ์แล้วบางคนเข้าใจผิดว่ามันเกิดตามธรรมชาติของมันรูปร่างกายอันนี้นะไม่ใช่บุญทำกาแต่งอะไรนี่บางคนก็เห็นไปนี่ก็มีผู้ที่เห็นเช่นนี้แล้วมันก็ไม่ทำบุญหละเพราะมันไม่เชื่อว่าบุญนั้นจะมาแต่งอัฐภาพร่างกายนี้ให้ ดังผู้มีความเห็นเช่นนั้นก็แสดงว่าไม่เชื่อไม่เชื่อพระปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าพระเจ้าทรงตรัสว่าการสั่งสมบุญเท่านั้นจะนํามาซึ่งความสุขนี่นะทีนี้ถ้าตีความหมายออกไปให้ชัดๆคําว่าการสั่งสมบุญนี่ก็คือการสั่งสมความดีนั่น การทำความดีด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจเอา้านั่นก็ยังไม่ชัดนี่ก็ต้องตีความหมายไปอีกทำความดีนั้นทำอย่างไรบ้างจึงจะเกิดเป็นบุญกุศลขึ้นเราทำความดีนี่หมายถึงว่าเราทำในสิ่งที่มันเป็นประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่นนั่นแหละเมื่อเราทำสิ่งใดลงไปแล้วมันให้เป็นประโยชน์ตนและผู้อื่น อนนนแท่านเรียกว่าทำความดีมานีการทำความดีที่ให้เป็นประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่นนั่นก็ยังมีส่วนจำแนแกแจกออกไปอีกทีนึง่งการทำความดีก็หมายความว่าการที่เราให้สิ่งของแก่บุคคลที่ควรให้อย่างนี้แหละหรือว่าเราให้ที่อยู่แก่บุคคลที่ควรให้นี่ หรือว่าเราให้ยุกยาแก่บุคคลที่ควรให้อย่างนี้นะหรือให้ผ้านุ่งผ้าห่มมูนี่บันนี้พระบรมศาดาทรงตรัสว่าพระสงฆ์สาวกของพระภูมิภาคเก้านี่ที่ท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้วเป็นเนื้อนาบุญของโลกไม่มีเนื้อนาบุญอื่นยิ่งไปกว่าเนี่ยการให้นี่ ก็หมายความว่าการให้แก่ท่านผู้มีกุศลคุณงามความดีสูงท่งอยู่ในตนหรือว่าท่านผู้บริสุทธิ์หมดจดจากกิเลสตัณหาทั้งหลายนั่นนะการให้อย่างนั้นน่ยท่านว่ามีผลมากการให้แก่บุคคลทั่วๆไปหมายเอาบุคคลที่ยังมีกิเลสตัณหาอยู่เนี่ย เช่นคนทุกคนจนคนอนาถาอะไรพวกนี้เนี่ยมันก็มีผลน้อยเพราะเหตุว่าคนเหล่านั้นไม่มีคุณสมบัติอะไรเลยอุปมาเหมือนอย่างที่ดินที่ไม่มีรสชาติบุคคลไปปลูกพืชอะไรลงไปก็ไม่งามนะถึงแม้มันจะเกิดขึ้นมันก็ไม่งอกงามเพราะว่าดินนั้นมันจืดมันไม่มีรสมีชาตินั่นแหละเทียบ ได้ บ, บคุคคลผู้ให้ทานแก่บคุคคลผู้ไม่มีบุญหรือมีบุญน้อยดังกล่าวมานั่ น, นมันก็มีผลน้อยเหมือนกับปลูกพืชลงในดินที่ไม่มีรถมีชาติการที่บคุคคลได้ให้ทานแก่ท่านผู้ทรงศีลทรงธรรมผู้มีบุญมากผู้ทาอาสวะกิเลสให้ หมดไปสิ้นไปได้อันนั้นท่านว่ามีผลมากาดังนั้นที่พระศาสดาทรงสนรเสริญคุณแห่งพระสงฆ์ว่าเป็นเนื้อนาบุญของโลกอันประเสริฐในที่นี้ก็หมายเอาพระสงฆ์ที่ปฏิบัติ ด, ดีปฏิบัติชอบตามพระธรรมวีในที่พระพุทธเจ้าทรงแต่งตั้งวรญญัติไว้ โดยเคร่งคัดปฏิบัติทางจิตใจเจริญสมถะวิปัสนาเพื่อละราคะโทสะโมหะมานทิเถียงต่างให้น้อยเบาบางออกไปจา ก, กจิตใจจนกลัวมันจะหมดสิ้นอย่างนีท้ท่านจึงเรียกว่าพระสงฆ์เป็นผู้ปฏิบัติดีเรียว่าปฏิบัติเพื่อละกกิเลสบาปธรรม ให้หมดไปสิ้นไปจากกิจใจเนี่ยคำว่าปฏิบัติดีแล้วนะ <c oughs> พระสงฆ์เหล่านี้พระศาสดาทรงเปรียบเหมือนกับเนื้อนาที่ดีเนื้อนาเนื้อสวนที่ดีที่มีรสชาติ <c oughs> เมื่อบุคคลต้องการบุญถวายทานในพระสงฆ์ดังกล่าวนี้ก็จะมีผลมากมีอนิสงส์มาก พระพุทธเจ้าก็ทรงแสดงเครื่องอุปมาไยประมาะเปรียบเทียบเหล่านี้อยู่สวรรค์ชั้นดาวดิงตอนที่เสด็จขึ้นไปแสดงพระพิธรมรมโปรดพุทธมารดานั้น <c oughs> นาทั้งหลายมีญาเป็นโทษมูสัตว์นี้มีราคะโทสะโมหะเป็นโทษ เพราะฉะนั้นทานที่ให้แก่ท่านผู้สิ้นอาสวะกิเลสจึงมีผลมากดังนี้เนี่ยเพราะฉะนั้นน่ะจงพากันพิจารณาเอานี่ไหมความว่ามเมื่อเราจะบริจาคทานวัตถุสิ่งของอันใดก็ให้ยกขึ้นจบสีสัะ แล้วอธิษฐานว่าออการให้การบริจาคจากทานครั้งนี้ข้าพเจ้าข อ, อ, อถวายบูชาพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ผู้ประเสริฐในโลกออนั่นนะด้วยอำนาจแห่งผลบุญนี่ขอให้ข้าพเจ้าพ้นจากทุกภัยในวัตะทสงสารนี้นี่ขอให้พากันนึกคิดอธิษฐานจิตถึง พระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐในโลกนั้นแสดงว่าทานที่เราให้ในี้เราอุทิศ ต, ต่อพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงสาวบกของพระพุท พ, พระพูุทธภาคเก่าที่ทานสรงพระคุณอันประเสริฐนั้นแต่มีสมมุติส่งเป็นผู้รับแทนนี่ให้เพึ่งพากันเข้าใจ เมื่อเข้าใจอย่างนี้แล้วก็จะเป็นเหตุให้เราได้รับผลมากตามสมมาสมควรฐานการให้การบริจาคนี้นอกจากการให้ทานวัตถุสิ่งของไปแล้วเราก็ให้อภัยทานอีกด้วยคำว่าให้อภัยทานนั้นหมายความว่า ใครมาล่วงเกินเราด้วยกายวาจาต่อหน้าก็ดีรับหลังก็ดี เ, ออเราให้อภัยไปเลยเราไม่ถือโกรธถือเกลียด อ, อืแม้ว่าเขาจะนินทานรับหลังก็ตามเมื่อมีใครมาเล่าให้ฟังแล้วเราก็ให้อภัยเขาไปไม่ต้องไปคิดแก้แค้นกัน อ, อหรือว่าเขาจะมาแสดงกิริยาหยาบคายต่างๆต่อหน้าต่อตาของเราเอง แล้วก็ไม่เอาเรื่องไม่ตอบโต้ในทางที่ไม่ดีพูดง่ายๆว่าเขาพูดไม่ดีมาต่อเราเราพูดดีต่อเอานี่เป็นคำสอนของพระเจ้าพระเจ้าทรงสอนอย่างนี้เขาแสดงอาการโกรธต่อเราเราไม่แสดงอาการโกรธตอบเราจเจริญเมตตาจิตนูต่นตอบเอา เวรมันถึงไม่มีถ้าว่าเขาโกรธมาเราก็โกรธต่อไปเนี่ยมันก็เป็นเวรกันแล้วบบนี้นะเวรมันก็ผูกพันกันไปขึ้นชื่อว่าเมื่อบุคคลมีเวรแล้วนั้นหาความสุขไม่ได้จะไปเกิดในพบไหนชาติไหนก็ต้องประกอบไปด้วยเวรเป็นอย่างนั้น ดังนั้นแหะทุกคนขอให้พากันกลัวต่อกรรมต่อเวรไว้ให้ได้อย่าอย่าไปยอมสร้างกรรมสร้างเวรให้เกิดขึ้นมีขึ้นในตนแม้น้อยหนึ่งก็อย่าไปสร้างมันเรื่องกรรมเวร น, นี่นะให้อธิษฐานในใจว่าอย่างนี้เพราะว่าบุคคลผู้มีกรรมมีเวร น, นี่นะมันเป็นทุกข์อยู่ในโลกอันนี้นะดังที่เราจะ เห็นได้อกับบุคคลบางคนน่ะที่มีเวรตามมาสนองมีแต่ความวิบัติไม่มีความเจริญรุ่งเรืองไปได้พอเจริญรุ่งเรืองขึ้นไปได้หนอหนึ่งเอา้าความวิบัติมาถึงแล้วอย่างนี้แหละทั้งน browse. ี <Beautiful |yue|> pues ้ก็เพราะกรรมเวรแต่หนหลังนั่นแหละมันตามมาสนองเอา บางคนอยู่ดีๆเนี่ยทำมาหากินตามปกติธรรมดาอา้าวบางทีก็ไปขัดผลประโยชน์กับใครต่อใครบ้างเขาอ้าวฝ่ายหนึ่งเขเกิดพยาบาทวางแผนฆ่าให้ตายลงไปหมู่นี้นะมันร่วนตั้งแต่เป็นเวรแต่หลหลังทั้งนั้นแหละตามมาสนองเอาคนเราไม่ใช่ว่าจะไปฆ่ากันได้ไง่ายๆถ้าไม่มีกรรมมีเวรมาบันดาล น, นะ เพราะคนเรานี่มันก็มีบุญกุศลติดตามมารักษาบุญกุศลมาแต่งตาหูจมูกกลีนกายอวัยวะน้อยใหญ่ทั้งหลายให้บุญกุศลที่เราทำมาติชาติก่อนนู่นนะเมื่อมันมาแต่งอวัยวะต่างๆนี้ให้แล้วมันก็ยังรักษาไม่ให้ตายก่อนอรักษาชีวิตที่ให้ยืนยาวนานมาตามกำลังของบุญ ที่บุคคลก็ทำไว้ผู้ใดได้ทำบุญกุศลวบน้อยอมันให้ผลมาหมดเขตเข้ามาแล้วชีวิตนี่ก็ตั้งอยู่ไม่ได้ก็ต้องตายผู้ใดได้สั่งสมบุญกุศลมาแต่ชาติก่อนน้ามากอย่างนี้บุญกุศลนั้นมันก็ตามรักษาชีวิตนี่ให้มีอายุยืนยาวนานไปจนตลอดถึงอายุไข ข, ของยุคนึงนึง อายุ ข, ขของในยุคนี้ของคนในยุคนี้มันก็มีอยู่75หปีเท่านั้นเองแต่ถ้าผู้ใดอยู่เลยนั่นไปก็เรียกว่าสังขารร่างกายก็ทรุดโทมไปแล้วใช้งานอะไรก็ไม่ค่อยได้ดอกมันเป็นไปตามยุคตามสมัยมันแต่สมัยครั้งพุทธเจ้านั่นคนมีอายุยืนร้อยปีเป็นอายุไขแต่ว่าผู้ที่มีชีวิตอยู่เลยร้อยปีไปก็มี ถึงร2 0ยี่สิบปีร้อยสี่สิปีนก็มีแต่ครั้งพุทธเจ้านะแม้ในยุค ป, ปัจจุบันนี้ก็มีคนมีอายุยืนถึงร้อยปีหรือว่าร้0ยกว่าปีนนี้ก็มีอยู่แต่แล้วมันก็ไม่ได้มีความหมายอะไรเท่าไรหรอก <c oughs> มันก็อยู่รอวันเวลาไปเท่านั้นเองเนี่เราจะทําคุณงามความดีอะไรได้เราจะสั่งสมบุญกุศลอะไรให้มากได้ก็ ในระหว่างที่อายุอยู่ในระหว่างนับตั้งแต่20ปีขึ้นไปจนถึง75ปีนี่แหละนี่แหละระยะนี้หรือว่า60กว่าปีนี่ผู้สุขภาพดีก็อาจจะไปถึง75ปีนั่นก็ยังทำกุศลคุณงามความดีอะไรได้อยู่ อันนี้ให้พากันเข้าใจที่เรามีชีวิตอยู่มาได้เพราะอาศัยบุญเก่าที่เราทำมาแต่ก่อนแท้ๆอาศัยแต่ชาติก่อนนั้นได้ให้เข้าน้ำโพชนะอาหารเป็นทานบุญกุศลอันนี้มาตกแต่งให้มีร่างกายสมบูรณ์มาให้สุขพร้อมอการที่เรามีอายุยืนยาวนานมาไม่ค่อยมีโรคภัยเบียดเบียนอันนี้อันนี้สงสิณ แต่ชาติก่อนได้รักษาศีลห้าไม่เบียดเบี้ยนบุคคลอื่นและสัตว์อื่นให้เป็นทุกข์ทรมานหรือให้ล้มให้ตายนั่นแหละเมื่อบุคคลเป็นผู้รักษาศีลไม่ทําบาปแล้วอย่างนี้นะมันก็ไม่มีบาปอะไรติดตามมาตัดรอนชีวิตที่ให้ตายแต่ยังหนุ่มยังแน่นนั่นแหละผู้มีอายุยืนไปจนถึงอายุไขเนี่ยแสดงว่า ไม่มีกรรมเว้นแต่ผลหลังตามมาสนองเอาไอ้ผู้ที่อยู่ไปไม่ถึงอายุไขเนี่ยแสดงว่ามีกรรมชั่วเว้ชั่วแต่ที่ตนได้ทำอาตเชะ ก, ก่อนนั่นมันตามมาตัดรอนเอาให้ตายไปเสียก่อนที่จะถึงอายุไขอันนี้ให้พากันสังเกตดูนั่นแหละคนเรามันถึงได้มีอายุยิ่งย่อนกว่ากันไม่เสมอกัน่ะ กะเพราะว่าต่างคนต่างทำกรรมดีกรรมชั่วมาไม่เท่าเทียมกันเลยบันีึกกล่าวถึงสรุปใจความแล้วว่าพระบรมศาสดาทรง ม, มีพระประสงค์ให้พุทธบริษัทนั้นเพียรละบาปออกจากกายวาจาใจของตนให้มันหมดสิ้นไปเลยอย่าให้มันติดตามสนองไปในชาติหน้าต่อไปแล้วทรงพระประสงค์ ให้พุทธบริษัทนั้นสั่งสมบุญกุศลให้เกิดให้มีขึ้นในตนโดยความไม่ประมาท ต, ตลอดชีวิตของตนแล้วก็ทรงมีพระประสงค์ให้เพียรพยายามชำระจิตของตนให้ผ่องใสสะอาดปราศจากกิเลสปาประธรรมกัมมันชั่วช้าลามกต่างๆอย่าให้มันหมักดองอยู่ในจิตใจนั้นต่อไป อันนี้เป็นพระประสงค์ของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ที่มาตัดสู้ในโลกนี้เพราะฉะนั้นแหละเมื่อได้สดับตรับฟังกันแล้วขอได้พากันตั้งอกตั้งใจปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้านี่การทำบุญกุศลไม่ใช่ว่าได้บุญตั้งแต่เพียงให้วัตถุสิ่งของเป็นทานเท่านั้น แม้เรากราบเราไหว้เราสักการะ บ, บูชาพระพุทธธรรมประสงค์ด้วยกายวาจาใจอันนี้ก็เป็นบุญเป็นกุศลอันนี้เนะเรานั่งสมาธิภาวนาสำรวมจิตใจให้แน่วแน่ลงไปแม่จะไม่ได้นานก็ตามอขอให้ทำใจให้มันสงบลงได้อย่าให้ใจมันไปยึดถือเรื่อ ง, งต่างๆภายนอกไว้ ให้มันสงบลงอยู่ภายในนี่อยู่ชั่วระยะหนึ่งก่อนับ้าป้าได้บุญได้กุศลไม่ใช่น้อยแต่ถ้าหากว่าทำใจให้สงบไปได้ในนานเท่าไรยิ่งได้บุญหลายอันนี้เราไม่ได้เสียเงินเสียทองแม้แต่บาทเดียวเลยแต่เราก็ได้บุญมากๆผู้ดใดขยันหมั่นเพียรไม่เกียจคร้านแล้วก็ย่อมได้ประสบบุญกุศลมากมายอันนี้แหละคาว่า สั่งสมบุญกุศลนะอย่าไปหมายเพียงแค่ว่าให้วัตถุสิ่งของเป็นดานเท่านั้นจึงเรียกว่าสั่งสมบุญถ้าไม่มีสิ่งของอะไรจะให้ทานแล้วถือว่าตนไม่ได้ทําบุญคนส่วนมากมักจะเห็นไปอย่างนั้นเนี่ยแท้ที่จริงแล้วเราประพฤติดีด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจนี่นะเราได้บุญอยู่ทุกเวลาไปเลยเราทําดีพูดดีไปนะ เราทําสิ่งที่เป็นประโยชน์ตนและผู้อื่นดังกล่มามนั้นแหละแล้วการพูดการจารองเราก็พูดแต่ในความจริงเรื่องไม่จริงไม่เอามาพูดไม่เจตนาพูดเท็จเจตนาพูดแต่คําจริงไม่พูดสอเสียดยุยงให้ใครแตกเล่าสามัคคีกันพูดแต่คําสมานมิตรีจิตต่อกันและกันเช่นยั้น เห็นเพื่อนผงทะลัวิวาดกันอย่างนี้เราก็ไม่เข้าข้างใครเราพยายามไปไกลเกีย่ยปรับความเข้าใจให้เขาปองดองสามัคคีกันแทนที่เราจะไปถือหางข้างหนึ่งแล้วเปียดชังอีกข้างหนึ่งอย่างนี้เราไม่ถูกต้องเรียกว่าไม่เป็นธรรมเป็นอย่างนั้นเราต้องทำใจเป็นกลางพยายามเกลี้ยกล่อมให้เขาปองดองสามัคคีกันให้ได้ นี่วาจาอย่างนี้มันรุ่นแต่เป็นบุญกุศลนั้นแหละคููใดใช้ให้มันเกิดเป็นประโยชน์ขึ้นมา mm hmm. แล้วคำหยาบร้่นต่างๆนานาเนี่ยอย่าเอามาใช้กันเลยด่าพ่อร่อแม่ด่าโคด่าวงอะไรกันมูเนี่ย mm hmm. ใช้พูดตั้งแต่วาจานิ่มนวลอ่อนหวานต่อกันและกันก็อย่างว่านั่นแหละการนี้มันจะใช้ วาจาอ่อนหวานนิมนวลต่อกันและกันได้อย่างนี้ก็เพราะว่ามันมาจากใจนู้นการที่บุคคลมาฝึกใจให้สงบให้ตั้งมั่นลงไปต่อบุญต่อคุณอย่าให้มันไปตั้งมั่นอยู่ในกิเลสอย่างนี้นะการพูดจาปราศัยมันก็จึงอ่อนหวานอ่อนโยนได้ถ้าปล่อยให้ความโลภความโกรธครอบงำจิตใจอยู่เช่นนี้นะ มันจะพูดอ่อนโยนไม่ได้เลยนั่นแหละเพอกิเลสนั่นแหละพาพยผู้คาหยาบเมื่อมันโกรธขึ้นมาในใจแล้วมันกล่าววาจาอะไรออกไปมันก็หยาบโลนทั้งนั้นแหละต้องสังเกตดูอย่างนั้น <c oughs> เวลาในใจไม่โกรธเนี่ยพูดดีคนเรานะ่ะนิ่มนวลอ่ อ, อนหวานแต่เมื่อเวลาความโกรธครอบงำจิตใจเข้ามาแล้วเอาแล้ว พูดอะไรออกไปไม่น่าฟังเลยเสียบแทงผู้อื่นให้เจ็บอกเจ็บใจนี่มูนี้แหละเพราะนั้นจึงว่าการทำความดีนี่นะมันไม่ใช่แต่เพียงจะให้ทานเท่านั้นให้วัตถุสิ่งของเป็นทานเท่านั้นเราให้อภัยทานไม่ถือสาหาความตอกันและกันดังกล่าวมานั่นแหละอันนั้นก็เป็นทานอันสูงอ่ เพราะฉะนั้นเพิ่งพากันชำระจิตใจของตนให้เบาบางจากกิเลสบาปธรรมทั้งหลายดังกล่าวมานั้นก็จะได้ประสบความสุขความเจริญดังแสดงมาขอยุติลงเพียงเท่านี้